การปฏิบัติธรรมสุดท้ายมันมันจะมาลงที่ที่ใจเพราะอย่างที่เราได้สวดนะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เนี่ยมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วที่ใจนะธรรมะทั้งหมดทั้งปวงนะมันจะ ปฏิบัติวิธีไหนหรืออะไรต่างๆสุดท้ายมันต้องมารวมลงที่ที่เรื่องของใจทั้งนันะ้นเพราะว่ากายก็ดีนะหรือวาจาก็ดีนะเขาจะพูดหรือเขาจะกระทำอะไรต่างๆนะมันก็วนออกมาจากใจนี่แหละนะใจคิดชั่วนะก็พูดชั่วทำชั่ว ใจคิดดีก็พูดดีทาดีนะแต่จริงมันคิดคิดไม่ดีหรือคิดดีนะมันก็ถ้าเราไม่มีสติรู้ทันนะมันก็ทำตามความคิดแม้แต่ดีหรือชั่วนะบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เรานะไม่ทุกข์นะบางทีการทำดี การคิดดีถ้าเราวางใจไม่ถูกนะบางทีมันก็ทุกข์เพราะว่าเราก็ยังมีความคาดหวังในในคุณงามความดีหรือในผลจากการทำดีนะบางทีมันก็ทุกขนะ์แต่บางทีเราก็สังเกตเห็นบางคนทาไม่ดีนะบางทีเขาดูไม่ค่อยทุกขนะ์แต่จริงมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ทุกข์ หรือทําให้เขาสุขจริงๆหรอกเนะี่ยมันเหมือนมันเหมือนคนทําผิดเนาะถ้าไม่รู้ตัวว่าผิดมันก็มันก็เลยไม่รู้สึกว่าผิดก็มีนะี่แต่บางคนทําผิดแล้วรู้ตัวว่าผิดแต่ก็ปล่อยวางปล่อยวางความรู้สึกที่จะเองทําผิดไม่ได้นะก็ทุกข์มากนะหรือบางคนทําดีมากๆนะแต่ก็ปล่อยวาง นะความห่วงใ ย, ยความคาดหวังอะไรต่างๆไม่ได้นะมันก็ทุกข์นั้นการละความชั่วหรือว่าการทาความดีนะหรือการคิดนะละความคิดไม่ดีหรือการคิดดีนะที่จริงมันก็ดีแล้วแหละนะแต่มันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะมันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมด พอสุดท้ายแล้วมันต้องมารวมลงที่การการฝึกใจนะให้เรียกว่าให้มีสติปัญญานะให้สะอาดให้บริสุทธิ์นะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะการฝึกปฏิบัติจริงๆเนะี่ยมันก็ล้วนย้อนกลับเข้ามาหาเรื่องของใจนะฝึกใจให้ให้มีสติฝึกใจให้ ให้ฉลาดนะฝึกใจใหนะ้ให้เป็นปกติเนะี่ยคือเนี่ยคือสิ่งที่เราย้อนกลับเข้ามาฝึกตรงนี้นะคล้ายๆล้เหมือนกับการศึกษาสมมติเปรียบเทียบการศึกษาทางโลกนะเหมือนที่เขาบอกเอาเอาผู้เรียนนะเป็นศูนย์กลางนะเป็นศูนย์กลางในการศึกษานะสมมติเราเป็นครูหรือเป็นพ่อเป็นแมนะ่เป็นคนที่มีหน้าที่ อบรมนะเราก็ไม่ใช่เป็นการยัดข้อมูลเข้าไปนะแต่เหมือนว่าเราจะฝึกเขาอย่างไรให้เขานะให้เขาเป็นผู้ที่นะที่รู้หรือคิดเองได้นะพัฒนาได้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่ว่าเราต้องบอกต้องสอนเขาตลอดเวลาต้องคอยประคองต้องอะไรตลอดตลอดเวลา แต่การศึกษาที่แท้จริงคือคือฝึกหรือสอนให้เขาสามารถที่จะเนะี่ยพึ่งตัวเองได้ให้เขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อได้นะอันนี้คือคนที่มีการศึกษาเนาะก็จะมีคุณสมบัติเช่นนี้คือสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อได้จิตใจก็เหมือนกันนะ นะการฝึกปฏิบัติธรรมก็คือจะฝึกอย่างไรให้ใจมันสามารถพึ่งใจตัวเองได้นะให้ใจมันเกิดสติปัญญาให้ใจมันเป็นปกตไิได้ด้วยตัวของเขาเองนะไม่ใช่ว่าจะต้องคอยให้คนอื่นมาบอกมาสอนตลอดเวลานั่นที่จริงเราฝึกจริงๆนะฝึกให้ใจมันฉลาดนะ ึกให้ใจมันพ้นทุกเนะี่ยมันไม่ใช่ว่าเราฉลาดหรือเราพ้นทุกนะฟังโดยดีๆนะเอีใจเขาฉลาดของเขาเองนะใจเขาพ้นทุกของเขาเองนะไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราแต่บางทีเขาพูดพูดแบบทั่วๆไปบางทีเขาพูดว่าเรานะเรา เรามีสติเรามีปัญญาเรานาทุกน้อยลงเราพ้นทุกเน่าเราพ้นทุกได้นะ่ะแต่เอาเข้าจริงจรไอ้ที่มันตรงที่สุดคือเรื่องของใจนะใจมันฉลาดน่ะฉลาดเกิดจากอะไรนะใจฉลาดก็เกิดจากการที่มันรู้มากๆานี่แหละนะเราฝึกให้เรารู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆมากๆานีา่แหละมันจะฉลาดขึ้น การฝึกสติเ น, เนี่ยเหมือนกับนักเรียนนะอ่านหนังสือนักเรียนนะขยันนะทำการบ้านนะเขาก็จะฉลาดขึ้นเพราะว่านี่แหละเขาศึกษาเยอะนะเขาให้เวลาให้ความสำคัญกับเรื่องที่เขาเรียนรู้เยอะเราฝึกสติก็เหมือนกันนะเราเอา เราเอาปัจจุบันนะั้นทำนะที่มันเกิดขึ้นนะแล้วเราก็เรียนรู้ดูเขานะเรียนรู้ลงที่ปัจจุบันนะสำคัญที่สุดนะอย่าไปอดีตจะผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันเถอะนะช่างหัวมันนะแก้ไม่ได้นะอนาคตยังไม่มาก็อย่าไปเสียเวลาวิตกอะไรกับมันนะเราไม่รู้ว่าอนาคตจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะเรื่องของมันนะ แต่เรื่องที่เราทำได้จริงๆคือเรื่องเรื่องปัจจุบันอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะให้เรารู้ทันกายเคลื่อนก็รู้นะใจเคลื่อนก็รู้นะสาคัญจริงๆแค่รู้นะไม่ต้องไปทาอะไรนะฝึกให้สติอ่มันเกิดขึ้นก็คือเพียงแค่รู้นะ ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปสงสัยมากว่ามันต้องรู้แบบไหนต้องรู้อย่างไรต้องรู้มากน้อยเท่าไหร่มันมันแค่แบบรู้สึกเลยจริงๆเิงนถ้าถ้าเราจับตรงนี้ได้นะมันมันง่ายมากจําได้ตอนที่มันกว่าจะเข้าใจนะมันก็มันก็ยากเหมือนกันนะแต่พอที่มันรู้จริงๆเนี่ยมัน มันจะรู้สึกได้ด้วยตัวของเราเองอ๋อรู้เป็นแบบนี้นะแต่ก่อนเราก็แบบไปคิดเยอะอไปหาอะไรมากเกินไปะมันจะต้องรู้แบบนั้นหรือเปล่ารู้อย่างนี้หรือเปล่านะรู้ถูกหรือเปล่าหลายอย่างมากนะแต่ตอนที่มันรู้สึกตัวได้จริงๆอ่ะมันอมืมันไม่มีความสงสัยนะมันก็ แล้วสิ่จริงก็ไม่มีคําอธิบายเลยนะมันหมดความสงสัยแล้วก็หมดแล้วก็ไม่มีคําอธิบายเลยมันก็เหมือนแค่แค่รู้เฉยๆนะธรรมดาเนะี่ยมันหลายคนก็เวลาเราฟังเขาพูดล้วก็จะเข้าใจอืมมันมันถูกไหมตรงไหมนะอย่างตอนนั้นได้ฟังอาจารย์ประมวลพูดนะ ที่อาจารย์ประมวลเล่าเรื่องอที่หลวงพ่อําเขียนไปสอนที่เชียงใหม่นะแล้วอาจารย์ก็เหมือนได้ไปไปเรียนปฏิบัติทำด้วยหลวงพ่อเสอนพาพิกมือยกมืออะไรประมาณเนะั้นหลวงพ่อถามว่รู้ไหมพิกมือรู้ไหมปุ๊บเนเหมือนอาจารย์ประมวลพูดออกมาว่าอื ที่จริงพอมันรู้สึกอ่ะพลิกมือแล้วก็ก็แค่รู้อย่างที่หลวงพ่อพูดเนะี่ยอาจารย์เข้าใจแล้วอืมเนี่ยแหละคือมันไม่มีครับความสงสัยอ่ะที่จริงหลวงพ่อสอนเนะี่ยพลิกมือขึ้นรู้สึกใช่มไหมอรู้สึกเลยนะเขาก็รู้สึกเลยนะไม่ต้องไปอะไรมากไปกว่าแค่รู้สึกเฉยเฉยนะพลิกมือขึ้นอืมรู้สึกแล้วนยกขึ้นรู้สึกแล้วนะนวนะมันจบแค่ความรู้สึก ขนาดที่รู้สึกเนี่ยจบเลยไม่มีอะไรมากกว่านั้นมันเหมือนคล้ายๆปัจจุบันมันมันมันพร้อมกันน่ะนะเหมือนเราคล้ายๆเหมือนเราดูทีวีนะทีวีมันก็เปิดอยู่ตาเราก็มองอยู่มันก็เห็นภาพที่ปัจจุบันทันทีน่ะอันนี้คือของจริงนะแต่ไอแบบนั้นมันอาจจะยังเราก็จะไปคิดตามเรื่องที่เห็นนะแต่ความรู้สึกเนี่ย ความรู้สึกปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องคิดอะไรนะมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่ความคิดนะมันเป็นความรู้สึกของกายที่มันมีการเคลื่อนมีการสัมผัสนะจริงๆหรือบางครั้งมันก็หยุดนิ่งจริงๆนะมันเป็นความรู้สึกที่เป็นเวทนาของกายมาประกอบด้ยนะนะเวทนาในที่นี้ไม่ใช่ว่าเจ็บปวดเมื่อยเท่านั้นนะมาถึงว่า เวทนาคือที่มันเป็นความรู้สึกเป็นอาการของกายที่มันมีอยู่จริงนะแล้วก็มันมาประกบกันกับสภาวะที่ใจมันมันรับรู้นะมันเห็นนะอยู่ตรงนั้นพอดีนะมันสัมผัสได้กับสภาวะปัจจุบันนธรรมที่มันพร้อมกันระหว่างกายแล้วก็ใจนะเช่นกายเคลื่อนนะใจก็รู้อยู่ตรงนั้นพอดีเนี่ยมัน ไคล้ายเหมือนมือเราปบมือกันพอดีนะมือซ้ายมือขวาเนะี่ยมันปบถูกกันพอดีมันก็มันก็เกิดเสียงขึ้นเมื่อกายเคลื่อนไหวใจรับรู้ปุนะ๊บเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นนแต่มันก็จบลงแค่นั้นนะเอนะเกิดสภาวะการเคลื่อนใหม่นะแล้วก็คอยรู้ใหม่นะจริงๆไม่ใช่เป็นการคอยรู้นะแต่เป็นการรู้นะ พอเคลื่อนปุ๊บรู้นะพุ๊บน่ะเคลื่อนพุ๊บรู้พุ๊บนะมันก็รู้ไปเรื่อยๆแบบเนั้นนะมันจะเห็นว่าที่จริงแต่ละขณะมันก็เพียงแค่เราก็รู้ไปเรื่อยๆนะมันเคลื่อนก็รู้นะมันหยุดก็รู้มันกระทบก็รู้นะอันนี้เรื่องของกายนะแต่บางทีใจมันเคลื่อนนะก็รู้นะไม่ต้องไปรู้ว่ามันเคลื่อน ไปไหนก็ได้นะไม่ต้องว่าไปรู้ว่ามันเคลื่อนไปแล้วไปคิดอะไรก็ได้แค่รู้ว่าใจมันเคลื่อนออกไปจากฐานนะฐานคือความเป็นปกติคือนสะภาวะที่มันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนี่แหละเรียกว่ามันเคลื่อนออกไปจากการปกติตรงนีนนะ้เราก็แค่รู้ตัวนะรู้ตัวว่าเออมันเคลื่อนไปแล้วแค่นั้นแหละไม่ต้องไปทำอะไรมาก แล้วก็ไม่ต้องแบบพยายามที่จะไม่ให้มันม่เคลื่อนเลยนะนะคำว่าไม่ต้องทำอะไรคือพอมันเคลื่อนไปนะจะไปคิดจะไปอะไรสนใจอย่างอื่นก็แล้วแต่นะเราแค่รู้ทันมันรู้ทันปุ๊บเนี่ยที่จริงการมีสติรู้จริงๆนะมันจะกลับมาอนะ่มันจะไม่ไปคิดต่อมันจะหยุดนะมันจะกลับเข้ามาของมันเองนะคล้ายๆเหมือนกับเรา เมื่อเราดึงหนังหนังสติ๊กนะหนังยางก็ได้นะเรายืดมันออกไปปุ๊บเนะี่ยพอเรามือข้างหนึ่งแบปล่อยหนังยางแบบปุ๊บเนะี่ยหนังยางก็กลับมากลับมาของมันเองนะแล้วมันก็จะเข้ารูปของมันเองเนะี่ยมันก็ไม่ไม่ยืดไม่หดไปมากกว่าปกติของมันเนะี่ยพอเรารู้ตัวว่าเราหลงยืดไปปุ๊บนะเราปล่อยข้างหนึ่งปุ๊บเนะี่ยมันก็กลับมา กลับมาของมันเองไม่มีอะไรขนาดนั้นนะจิตก็เหมือนกันพอเรารู้ตัวว่าเราหลงไปไหลออกไปพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยมันก็เบิดปล่อยมันปล่อยมือข้างนึ่งนะมันก็กลับมาของมันเองนะคําว่ากลับมารู้สึกตัวเนี่ยที่จริงไม่ใช่เป็นการถ้าจะ ถ, ถูกจริงแนละ้ไม่ใช่เป็นการทนะําะแต่เพียงแค่รู้ปุ๊บเนี่ยมันกลับของมันเองนะไม่ได้ตั้งใจที่จะ ต้องดึงมันกลับมานะไม่เหมือนไม่เหมือนแบบเด็กนะเด็กมันเอาไปวิ่งเล่นนะแล้วเราต้องไปตามจับเด็กให้มันกลับมาอยู่ในที่ปลอดภัยแบบนั้นนะแต่ฝึกจริงๆนะเหมือนแค่ทักท้วงนิดนึงอุมลงไปแล้วเนาะปุ๊บเขากลับมาของมันเองคนละ้ายๆเหมือนเอา้ากลับมานะเนี่ยประมาณนั้ออกไปถนนอะ ระวังนะนะพอเขารู้ตัวปุ๊บเขาก็กลับมามเขาเองนะอันนี้คือถ้าเราฝึกสติ ด, ดีสติมันเกิดขึ้นจริงๆเนะี่ยแค่รู้ทันปุ๊บนะมันก็กลับมาได้ของมันเองไม่ต้องไปทำอะไรมากลยกว่า น, นั้นนะแต่เพียงกับว่าเราต้องเนี่ยแหละนะให้รู้ตัวตัวสติจริงๆนะในการที่ รู้เฉยเชยกับทุกสิ่งทุกอย่างนะยิ่งเรารู้ได้เฉยมาเท่าไหร่นะหรืออย่างที่หลวงพ่อเคยเรียกว่ารู้ซื่อๆนะรู้ด้วยใจที่เป็นปกติที่สุดเป็นการที่สุดนะไม่ได้มีความอยากนะเข้าไปเจือในการสภาวะที่รู้นะมันจะรู้แบบมันจะเห็นนะว่าไม่มีอะไรเป็นมากกว่าแค่ แค่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นอนะไม่ต้องทําอะไรไปมากกว่านั้นนะมันก็มันก็เสร็จสมบูรณ์ในตัวของมันเองในในหนึ่งขณะนั้นมันจบทันทีไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่ใหม่ใหม่บางทีไอ้สิ่งที่เราจะหลงคือเราอยากจะอยากรูนะ้มันจะมีความอยากรู้นะมีความอยากดีนะ มีความอยากจะได้นะไย่นี้จะมีความอยากเยอเข้าไปหรือบางทีก็จะมีความไม่อยากบ้างเช่นไม่อยากให้มันคิดไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านไม่อยากให้มันหลงไม่อยากให้มันง่วงเลยนะไม่อยากให้มันข้างนอกมันวุ่นวายไอ้ตัวนี้แหละคือ ปัญหาจริงๆนะปัญหาจริงๆไม่ใช่ว่าความหลงนะปัญหาจริงๆไม่ใช่ความคิดแต่ปัญหาจริงๆนะคำ ว, ว่าปัญหาคือเหตุทำให้เกิดความทุกข์นะก็คือตัวความอยากแล้วก็ความไม่อยากในใจนี่แหละนะที่เราไม่รู้เฉยๆนี่แหละมันจะมาเจือเวนะลาปฏิบัติสมมติเถ้าปฏิบัติด้วยความอยากนะ เบางทีมันก็จะตั้งใจเกินไปอืมมันก็จะเอาจริงเอาจังเกินไปนะไปบังคับไปประคองไปนั่นไปนี่เยอะเนะีะให้เรารู้ทันเนี่ยะนะนะนะรู้ทันเวลามันมีความอยากเข้ามาเจอหรือมีความไม่อยากเข้ามาเจอนะให้เรารู้ทันตอนนั้นเราละความอยากละความไม่อยากเสียนะมันจะกลับมาเป็นธรรมดาของมันเองนะ เพราะที่จริงความธรรมดาความเป็นปกติมันมีอยู่แล้วมันมีเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิตอยู่แล้วนะมันมีความหลงนี่แหละเข้ามาเครือบเข้ามาเจือเฉยๆนะมันไม่มันก็มันเป็นเพียงแค่อาการนะถ้าเรารู้จริงๆมันก็ละออกไปได้นะเหมือนเหมือนเปลือกอะเหมือนเปลือกห่อ เช่นหอ่อลูกอมนะนะลูกอมมันมีเปลือกหอ่อปุ๊บเราต้องแกะแกะเปลือกออกนะเราถึงจะกินลูกคมได้จริงๆถ้าเราทั้งอมลูกอมทั้งเปลือกเนะี่ยเราก็ไม่สามารถสัมผัสกับรสชาติลูกลูกอมจริงๆข้างในได้นะมันจะเราจะสัมผัสกับรสชาติขเปลือกลูกอมแทนนะการที่เราปฏิบัติทําก็เหมือนกันนะถ้าเรา สภาวะที่มันรู้เราเจอด้วยความอยากหรือความไม่อยากเข้าไปเนะี่ยมันจะไม่ใช่การรู้ซื่อๆนะรู้ไม่ตรงนะเหมือนอมลกอมนะท่อมเปลือกนะมันจะรู้สึกเหมือนรู้แต่มันรู้แบบไม่รู้แล้วก็บางทีถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเรารู้ไม่ถูกเราก็จะทำแบบนั้นเยอะนะ บางทีเราเอาใสยคําบริกรรมเข้าไปมันเหมือนเปลือกที่มันหอไปเพราะที่จริงอย่างเช่นเคลื่อนปุ๊บเนะี่ยมันรู้ไปแล้วนะถ้าเราไปพูดว่าเออมื่อกี้มันเคลื่อนเคลื่อนหนออะไรเนะี่ยมันมาที่หลังไอตัวพูดว่าเคลื่อนหนอเนี่ยที่จริงสาภาวะมันเคลื่อนเน่ยมันเคลื่อนไปแล้วนะหรือหลงนะ่ะไปคิดอ่าเราไปกําหนดเอ้ยมันคิดน่ะ ทีจ่จะมัคิดไปแล้วนะ่ะเรามาพูดทีหลังว่ามันคิดนะ่ะมันเหมือนมาพูดอีกทีหนึ่งเราเพียงแค่รู้ปุ๊บเฉยๆนะ่ะเอไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นนะแค่รู้นะ่ะมันเคลื่อนก็แค่แค่รู้นะ่ะใจเคลื่อนก็แค่รู้นะ่ะไม่ต้องอะไรไปมากกว่านั้นแต่ถ้ามันเกิดความเนี่แหละเกิดความยากเกิดความไม่อยากขึ้นนะ่ะ ก็ให้เรารู้ทันด so ้วยนะให้ละตอนนั้นนะให้ละตัวนั้นเสียมันก็จะกลับมาเป็นปกติได้เพราะบางทีอย่างที่ว่าบางทีพอรู้แล้วบางทีใจมันก็จะอยากรู้เยอะๆนะนบางทีใจมันก็กลัวที่มันจะหลงอะไรนั่นนะให้เรารู้ทันตอนนั้นะรู้ทันไอ้ความอยากรู้แล้วก็ละมันเสียรู้ทันความกลัวที่มันจะไม่ดีกลัวที่มันจะหลงนัหละ ละมันที่ตรงนั้นแหละนะคําว่าละมันก็คือที่จริงถ้าเรารู้เฉยๆนะว่ามันเป็นเพียงแค่แค่อาการอย่างหนึ่งที่มันจิตมันปรุงขึ้นมานะรู้เฉยๆปุ๊บน่ะมันจะละของมันเองนะคําว่าละนี่ไม่บางทีไม่ต้องไปทําอะไรมากกว่าเพียงแค่รู้ะแค่รู้นะมันก็ละแค่รู้มันก็ เป็นปกตินะแค่รู้ก็ถือว่าจิตเราได้พัฒนาได้เจริญแล้วนะจะเรียกว่าเพียงแค่รู้สึกตัวอย่างเดียวนะจะเดินเรียกว่าเรียกว่าทําถูกทั้งอริยสัจสี่ทั้งทั้งสี่อย่างเลยนะรู้ทุกนะก็เป็นการละสมุทยนะัยรู้ทุกหรือละสมุทัยก็ทําให้จิตเป็นปกติจิต สัมผัสกับสภาวะความเป็นนิโรธเป็นนิพพานนะรู้ทุกเนะี่ยละสมุทรไทยจิตสัมผัสกับสภาวะปกติได้เนี่ยมันก็คือการเจริญมรรคมันก็คือการภาวนาที่ถูกทางที่สุดแล้วนะที่จริงทำถูกนะมันก็ถูกไปทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าทำผิดเนะี่ยมันก็ผิดไปหมดเหมือนกันนะ เ่อเราเจริญสติด้วยความอยากเหมือนนะี่มันพอใจมันอยากปุ๊บเนี่ยมันมีใจก็ไม่ปกติแล้วนะ เ, เหตุของความทุกข์มันก็มีก็คือความอยากความตัณหาเนี่ยนะมันก็ทำให้เราดูไม่ซื่อนะมันก็พาเราเนี่ยพาไปแต่บางทีเราก็ปฏิบัติขณะปฏิบัติบางทีมันก็ไม่ใช่บัจจถูกตลอด น, นะก็ให้เรา ให้เราดูบ่อยๆศึกษาไปบ่อยๆไงมันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนแก้ไขไปนะการภาวนาเหมือนกับการที่เราต้องทำอะไรซ้ำๆทำบ่อยๆมันถึงจะเกิดเป็นความชนานาญเกิดเป็นการเหมือนแก้ไขสิ่งที่มันบกพร่องผิดพลาดไปนะคล้ายๆเหมือนกับศิลปินนะหรือนักวาดรูปนะ่ะ เขาก็ต้องวาดบ่อยๆวาดบ่อยๆนะมันจะได้เกิดทักษะความชนานาญในการในการใช้มือในการใช้อ่าขีดเส้นต่างๆนะมันก็จะได้เรียกว่าคล่องมือนะฝึกบ่อยๆเพื่อให้มันคล่องมือออาพอเราฝึกบ่อยๆเราก็จะรู้ว่อ๋อมันถ้ามีคนมาแนะมาอะไรด้วยหรือตัวเองก็พยายามอ่าสังเกตตัวเองด้วยนะมันก็จะอ๋อ อะไรที่มันพลาดอะไรที่มันเสียมันก็ค่อยๆแก้ไขไปแก้ไขไปพอทําไปนานๆมันก็เกิดทักษะใช่ไหมมันก็อมันก็แก้ไปของมันเองนะภาพก็สวยขึ้นนความเป็นศิลปินศิลปะมันก็มากขึ้นเลยเนี่ยมันก็เกิดจากการฝึกบ่อยๆอ่ะค่อยๆให้ให้มันเกิดทักษะเกิดความชํานาญแล้วก็ แก้ไขสิ่งที่มันบกพ้องนะในงานที่ทำนะารําวนาก็เหมือนกันเนะี่ยมันไม่ได้ดีตลอดหรอกไม่ได้ดีเดีทีเดียวนะแต่เราฝึกบ่อยๆนะเราก็จะเห็นเห็นข้อบอกพ้องนะของตัวเองนะอนะเราก็จะค่อยๆแก้ไขไปแก้ไขข้อบอกพ้องในการปฏิบัติของเราเนี้ยแหละนะก็ดูจากที่ไหน ดูที่กายดูที่ใจนี่แหละนะอืมเราก็สังเกตดูนะบางทีก็เราก็จะเห็นข้อบอกพร่องที่มันเกิดขึ้นนะทางกายนะเช่นมันตึงเกินไปนะบางทีก็เคร่งเครียดเกินไปนะเนี่ยเราก็สังเกตอ๋อมันตึงเกินไปเครียดเกินไปเนาะก็เนี่ยก็ปรับสักหน่อยหรือมันซึมไป มันทำให้มันเบลอไปนะก็ทำให้มันชัดขึ้นสักหน่อ ย, ยนะเนี่ยเราก็สังเกตเห็นอ้อมันบกพร่องแบบนี้นะพอรู้ปุ๊บนะมันจะปรับทันทีแต่ถ้าเราแค่แบบรู้แต่มันก็ยังเข้าไปอยู่ในสภาวะพวกนั้นอยู่นะมันก็จะไม่ใช่การรู้จริงๆนะ ม, มันตึงก็ ก็รู้สึกว่าตึงดีแล้วเะไรนะมันก็มันก็ยังปมันก็จะไม่ปรับนะหรือถ้ามันซึมเราคิดว่าต้องทําซึมซึมแบบนี้แหละะมันก็จะไม่ปรับนะแต่ถ้าเราดูอืมสภาวะพวกนี้ยมันไม่ปกตินะถ้าเราเห็นอ๋อไม่ปกติเราก็จะปรับนะให้มันปกติใจเองก็เหมือนกันนะมันก็ค่อยเห็นไอ้ที่มันรู้นะ ตอนแรกมันอาจจะเจือด้วยความอยากนั่นนี่พอสมควรนะแต่พอเรารู้ไปค่อยๆเห็นอ้อเ네นี่ยนะมันยังแอบชอบอยู่นะมันยังแอบไม่ชอบอยู่นะมันยังมีความอยากได้อยู่ยังมีความไม่อยากได้อยู่อะไรแบบนี้นะมันก็จะค่อยๆเห็นนะแต่ก่อนก็นึกว่ามันดีไปทั้งหมดแล้วนะพอภาวนาไปแล้วมันก็จะเห็นอ้อ เห็นข้อบอกพร่องเนข้อผิดพลาดเห็นนั่นนี่อีกหลายอย่างนะเอนะซึ่งมันดีนะที่เราค่อยๆเห็นขึ้นเรื่อยๆนะเห็นขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะเกิดการพัฒนาเนี่ยแหละนะจิตใจมันก็จะเกิดเนี่ยแหละเกิดสติเกิดปัญญาของเขานะเกิดความพ้นจากความทุกข์ของเขานะเพราะภาวนาจริงๆนะ่ะอย่างที่เราศึกษาเนาะ ม, มันไม่มีตัวตนที่แท้จริงของเรานะ อกายก็ไม่ใช่ของเราจริงๆจิตใจก็ไม่ใช่ของเราจริงๆนะขันทั้งห้านะมันเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่อาการของของรูปแล้วก็ของนามนะทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรานะที่จะควรยึดมั่นถือมั่นนะว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแต่การฝึกก็เนี่ยนะฝึกให้ จิตใจนะเขาเกิดปัญญาพิใใจัยเขาเกิดปัญญานะเขาก็จะเกิดการแยกแยะเกิดการเข้าใจเกิดการปล่อยวางนะเกิดการหลุดพ้นนะมันเป็นเรื่องของจิตที่มันพ้นของมันเองนะนะพอเราเห็นมว่เมันเรื่องของจิตมันพ้นนะเราก็มิไปหลงไปยึดว่าจิตเป็นเราเป็นของของเรานะเมื่อถึง พึงเวลาธาตุขันมันแตกดับไปนะมันก็ปล่อยไปเป็นเรื่องของมันนะมันไม่ใช่เรื่องของเราละมันก็แล้วก็ไปของมันไปจะไปไหนก็เรื่องของมันละคล้ายๆมันก็เราปล่อยปลานะลงน้ําปุ๊บเนี่ยมันเราซื้อปลาในถุงปุ๊บเนี่ยเรามาปล่อยปลาลงน้ำก็ปุ๊บเนี่ยปลามันไปลงน้ําไปไหนก็ไปเถอะนะเนี่ยมันก็เราทําอะไรมันไม่ได้อละ เราปล่อยจิตกลับสู่ธรรมชาติน่ะก็เหมือนกันกลับมาสู่ความเป็นปกติเป็นธรรมดาของมันเนี่ยมันจะไปไหนก็ไปเนี่ยเมื่อกายมันแตกดับแล้วมันก็มันก็ปล่อยวางธาตุขานของมันไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าปลานั่นเป็นปลาของเราปล่อยเนี่ยมันรู้สึกว่าปลามันกลับไปสู่ในที่ที่ที่เป็นธรรมชาติของมัละมันก็เป็นเรื่องของมันละไม่มีอะไรจิต มันก็ตับเข้าไปสู่สภาวะนะเดิมแท้ของมันเนี่ยมันคือสิ่งที่สมควรที่สุดละไม่มีอะไรเป็นมากกว่านั้นละนะนี่คือสภาวนานาะให้มันย้อนกลับเข้ามาอนะดูกายเนะี่ยก็เห็นจิตอย่างที่สมวง่อเทียนว่าดูกายเห็นจิตดูคิดก็เห็นทรรนะดูกรรม เห็นนิพพานดูอาการเห็นปรมัตดน่ะสภาวะจริงๆคือมันดูแล้วมันก็จะเห็นะบางทีก็ภาษาเนะก็คล้ายๆกันนะดูแล้วมันก็จะเห็นนในสิ่งที่ดูมันก็จะมีสภาวะที่เห็นเราดูกายเราก็จะเห็นเห็นตายด้วยนะเห็นใจด้วยนะเห็นจิตด้วยนะอืมเห็นความคิดไปด้วยนะ แต่จริงในความคิดเนะี่ยมันก็มีความไม่คิดอยู่ในนั้นนะในความคิดที่จริงมันก็มีสภาวะความไม่ปรุงแต่งสภาวะนิพพานอยู่ในนั้นนะดูกรรมเนี่ยมันก็เห็นนิพพานนะกรรมที่จริงเนะี่ยดูกายมันทำเนะ่ยดูดูวาจามันพูดดูใจมันคิดเนะ่ยถ้าดูจริงๆเออก็กรรมเนี <somethin> ่ย <windows> แค่ดูเิยๆเนะี่ยดูกายมันทาทนะุกเนี่ยนิพพานอยู่ตรงนั้นแหละ ถ <S an> ้เราแค่รู้สึกว่ากายมันทำนะรูปมันเคลื่อนปุ๊บเนะี่ยแค่รู้ว่ารูปมันเคลื่อนนะอไม่ไม่ต้องพูดก็ได้นะเหมื่ถึงแค่รู้รูปเคลื่อนปุ๊บเนี่ยใจมันรู้เฉยๆเนี่ยเป็นปกติแล้วนะแค่รู้ว่ารูปเคลื่อ น, ะน เ, เ น, เนตตนะี่ยก็ได้นิพพานละอืหรือแค่รู้ว่าใจมันเคลื่อนปุ๊บนะีก็ใจก็กลับมาเป็นนิพพานละเมันแป๊เดียวเนะ ดูกรรมเนะีนะ่ยนะก็เห็นนิพพานอยู่ตรงนั้นน่ะมันะอยู่ด้วยกันนะั่นแหละนะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะเนะีนะ่ยดูลงนะ่ยแค่รู้สึกตัวนะลงที่ปัจจุบันขณะเนะรู้ทันกายหรือทันใจลงที่ปัจจุบันขณะนะใจก็จะสัมผัสกับสภาวะปกติได้นะสภาวะความรู้สึกตัวธรรมดาธรรมดานี่แหละนะมันคือ มันคือมรรคมันคือผลมันคือนิพพานในหนึ่งขณะจิตเลยไม่ต้องไปทำอะไรมากกว่า น, นั้นนะแล้วก็ฝากไว้ครับ